ถามคำว่าโซภาษาไทยใช้คำว่าวิญญาณจะเป็นอันเดียวกับปฐมวิญญาณหรือไม่ในวงการพระพุทธศาสนานี่เราหลีกเลี่ยงไม่ยอมใช้คำว่าโซเพราะว่าโซเนียมีลักษณะอย่างที่เขาใช้สำหรับอัตมันเป็นวิญญาณในความหมายที่คลาดเคลื่อนหรือเพี้ยนไปแล้วซึ่งไม่ใช่ความหมายในภาษาบาลีในวงการศาสนาที่ใช้ภาษาอังกฤษ ไม่มีใครแปลวิญญาณว่าโ so. ซเขาใช้เพียงคอนเชียสเ s สพระจนะนุกรมบาลีอังกฤษหรืออังกฤษบาลีทั้งหลายใช้โ so. ซเป็นคำแปลของอัตตาหรืออัตมันและแปลอัตตาหรืออัตมันว่าโโซทั้งนั้นไม่มีใครใช้คำนี้กับวิญญาณหลักพุทธศาสนาถือว่าจิตนี้เกิดดับตลอดเวลาเป็นกระแสไม่ใช่เป็นตัวยืนที่ตายตัว ถ้าเป็นโซ่ก็จะเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรคงอยู่ยั่งยืนตลอดไปเป็นอมตะนินนรันดรเพราะฉะนั้นก็จึงใช้กันไม่ได้เหมือนคำว่าเกิดใหม่ในภาษาอังกฤษสำหรับพวกฮินดูที่ถือว่ามีโซ่เขาใช้คำว่า r รียนคาริชันแต่ในทางพุทธศาสนาคำนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เราใช้คำว่ารีเบิร์ และถือว่าการเกิดใหม่เป็นปรากฏการณ์ในกระแสของการเกิดดับตลอดเวลา